เป็นแค่ก้อนทากนะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ความทุกข์ก็ตามบีบคั้นไปเรื่อยๆนะนี่พอใจมันเห็นความจริงในกายมากเข้ามากเข้านะความรักในกายก็ลดลงเบืนะ้องต้นก็เห็นก่อนร่างกายไม่ใช่เราตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราอันนี้นับจํานวนไม่ท้วนแล้วมีเป็นพันมีเป็นหมื่นนะภนะานาไม่นานหรอกก็เห็นแนละ้วร่างกายไม่ใช่เรานะหลืออันเดียวเหลือจะเห็นจิตเป็นเราอยู่เราจะรู้สึกว่าในร่างกายนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง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 นะเนี่ยสมัยก่อนไปหาครูบาอาจารยนะ์นั้นทุกทุกองกเลยนะสอนให้เรารู้สึกตัวตัวนี้สอนให้มีจิตผู้รู้นะไปหาหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลท่านไม่ได้พูดคำว่าจิตผู้รู้นะท่านก็พูดเรื่องตื่นขึ้นมารู้สึกขึ้นมาอนะไรเงี้ยไปหาหลวงพ่อพุธท่านก็พูดถึงจิตผู้รู้หลวงปู่เทศนะจรรันมหาบัวหลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่สิมอนะไรเนี่ยเข้าไปหาแต่ละองค์แต่ละพูดอย่างเดียวกันนะว่าให้มันรู้ขึ้นมาแต่บางองค์บอกว่าให้รู้ตัวให้มีสติรักษาจิต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 ทั้งขันห้าไม่มีตัวเรานะไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเรานอกขันห้าอีกก็เป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันไม่ใช่นั่งสมาธิบูบูบ้าบ้าแล้วเป็นพระโสดาบันนะต้องมีปัญญาเห็นเลยตัวเราไม่มีก็รู้สึกว่าเป็นพระโสดาบันแล้ววันหลังยังรู้สึกว่ามีเราเองเนี่ยโสดาบันปลอมนะใช้ไม่ได้ไม่มีแล้วก็ต้องไม่มีเลยไม่ใช่ปลุกปลูบโลบโลเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีนะใช้ไม่ได้นี่พวกเราค่อยฝึกเอา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 เพราะมันเก็บกดมานานจิตมันถูกกดเอาไว้ให้นิ่งพอปล่อยเมื่อไหร่มันอารวาดเมื่อนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณก็ดูมันผ่านช่วงที่โมโหร้ายมาแล้วคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆกลับต่อครับคุณครับดีนะไม่ดื้อพวกติดสมถะชอบดื้อคนนี้ไม่ดื้อนะหลุดออกมาได้แล้วน้อมักการหลวงพ่อครับผมเพิ่งฝึกใหม่ๆครับผมอยากจะทราบว่าที่ผมปฏิบัติ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 จิตนิ่งๆทื่อๆอย่างนั้นไม่ดีอ่ะไม่เกิดปัญญานะของคุณรู้สึกไหมจิตเคลื่อนไหวหเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะใช้ได้นะแต่ว่าอย่าทิ้งการทําสมาธินะทาสมถะต้องทําเหมือนกันในรูปแบบอนะไปเดินจงกลมไปอะไรเงี้ยนะไม่เคยทําทครับเลยนะเพิ่มขึ้นหน่อยครัเพราะใจมันไม่มีแรงจะฟุ้งแรงรแล้วถ้าขออีกข้อะฮะก่อนที่ผมจะเข้าไปนั่งทําเนี่ยฮะ ผมจะพยายามทําให้เป็นธรมาทิก่อนคือพุโทโธพุโทโธก่อนแต่ก็ไม่ได้ฝังไว้เพอพุทโธโทได้สติผมก็ไปดูรู้นะฮะอย่าจงใจนะพุโทโธไปแล้วก็คอยรู้ทันใจไปไม่ใช่ต้องพุโทโธจนนิ่งแล้วค่อยไปรู้นะพุโทโธพุโทโธแล้วใจฟุ้งซ่านแอไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านอย่างนี้ดีกว่าแนะแต่ถ้ามันฟุ้งมาก ดูยังไงก็ฟุ้งไปด้วยเราก็พุทโธเร็วๆพุทโธพุทโธพุทโธไปพอใจสงบแล้วก็พุทโธเบาๆพุดโธช้าๆพุทโธเป็นแบ็คกราวพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธแล้วก็เห็นจิตมันทํางานไปเรื่อยๆพุทโธก็คือจิตนั่นแหละพุทโธคืออะไรกราบขอบพระคุณครับกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะหนูหัดภาวนามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนู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 ใจมันมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมามีผู้หญิงคนหนึ่งนะไปเรียนกับหลวงพ่อเมื่อหลายเดือนแล้วมาเดินพฤศจิการไปเรียนแล้วมาถามหลวงพ่อว่าที่ภาวนาอยู่เป็นยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าภาวน า, าก็รู้หลักอยู่แล้วนี่ภาวนาก็ใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็เงียบๆนะไม่พูดต่อแล้วเขาก็ถามหลวงพ่อว่าเขาขาดวินัยในการปฏิบัติใช่ไหยบอกว่าใช่ตั้งแต่นั้นนั่งเดินจงกรมทุกวันเลย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 ไปรู้ร่างกายบ่อยๆเคลื่อนไหวบ่อยๆ อ, อ, อ, อ, อย่าให้อารมณ์ครอบงำจิตอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะคะคืออะไรนะคือนอกเรื่องนิดนึงค่ะคือตอนนี้ตกงานอยู่อยากรู้ว่างานที่เหมาะสมคืองานอะไรนะคะงานอะไรก็ได้นะที่สุจริตไม่ต้องเลือกงานหรอกนะเราจะได้งานประมาณเมื่อไหร่พอจะบอกได้ไหมมันอยู่ที่เราจะทำเมื่อไหร่เม <c oughs> ื่อวานก็มีนะคนไปที่วัดก็มาเล่า ว, ว่าตกงานเคยทาธุรกิจเลยอะ เดี๋ยนี้ไปยืนขายของนแกทำได้นะไปยืนขายของแล้วแกก็ยืนดูใจของแกไปเลยคือถ้าเราไม่เลือกนะทำไปพออยู่พอกินอะไรเนี่ยไม่ถึงก็อดหรอกแล้วก็ทำเอาขอกันบ้านค่ะโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วขอบคุณค่ะกล่าวอมาสการพระอาจารย์คะ ค, ะคือได้ฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณหนึ่งเดือนอะนะฮะแล้วก็ฝึกปฏิบัติ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 หรือพุโทโธธรมโมสังโฆพอพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วพอใจมันจะเคลิบแล้วก็เปลี่ยนเป็นพุโทโธธรรมโมสังโฆอะไรเงี้ยนะพอมันสงบมันรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็มาพุโทโธต่อไปมันต้องมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึง่งอย่าให้ขาดสติคือหนูเคยใช้เครื่องอยู่โดยการกระพริบตาอย่างเงี้ยคะ่ะได้กระพริบตาไม่เ<ม><ม>ดียดเมื่อ <c oughs> ตายเลยเดี๋ยวก็เวียนหัว <c oughs> งั้นก็ <c oughs> ต้องทํางานอย่างที่หลวงพ่อพูด่นะคะแล้วรู้สึกตัวแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าคะเดี๋ยวมันมีแรงพอมันจะตื่นขึ้นมา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 เออรู้สึกตัวไปแล้วมันไม่ไม่รวมเลยครับเออมันไม่รวมง่ายเวลารวมก็รวมไม่นานนะแล้วก็นั่งไปแหละรวมไม่รวมก็นั่งไปทุกวันนะครับนั่งแล้วมันได้แรงครับสุดท้ายก็ขอขอกันบ้านนะครับโอ้ไปดูเท่านี้ก็เยอะแล้วนะมีสติรู้กายรู้ใจก็เต็มที่แล้วครับแล้วก็ถึงเวลาก็ทำความสงบเข้ามาให้ใจมีเรี่ยวมีแรงครับขอบคุณครับ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 คือเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้สำคัญที่สุดนะแต่การทำในรูปแบบมันทำให้เรามีกำลังนีอยู่อยู่ในร่องเยรลอยอยู่ใช่ไหมครับตอยอ น, นี้อขอบคุณครับก ร, กราบน้ำรสการหลวงพ่อนะครับขขก็ปฏิบัติมาได้ประมาณ4ี่ถึงห้าเดือนนะครับผมก็รู้สึกว่ากิเลส ต, ตัวที่เห็นนี่บ่อยนี่เป็นจิตที่มีโมหะนะฮะแล้วก็บางทีก็ไประลึกรู้กายอย่างเงี้ยครับ อยากทราบว่าผมนี่เป็นกะดิบประเภทไหนครับดูได้และดูได้ทั้งคู่ด right. ูไปอ oh, <นะ S 2> ๋อสติระลึกรู้กายก็รู้ไปสติระลึกรู้จิตที่รู้ไป <Okay. S 1> สายกายสายจิตเนี่ยมันเป็นแค่ตอนจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเพื่อฝึกให้มีสติ <Okay. S 1> บางคนดูกายแล้วเกิดสติบางคนดูจิตแล้วเกิดสติแต่พอเกิดสติแล้วไม่มีแล้วนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้จิตไม่ท้วนเดียวหรอกคร <Okay. S 1> ับของคุณรู้สึกไหมเดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้จิตใช่ครับเป็นอย่างนั้นแหละ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 ใจเราเริ่มเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแต่เพียงแต่ว่าขนาดนี้ตื่นเต้นก็นเลยเพ่งไว้คเล<ว>่นเลนะ่ น, นหน่อยภาวนาใช้ได้นะคุณอ่ะตอนนี้ที่ผมฝึกตามแบบครับไม่ทราบว่าถูกจริตกับผมหรือยังครับคือเช็คลมหายใจไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เพ่งลมหายใจนะดูถูกต้องแล้วจิตมันตื่นได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาคุณรู้รไหมมันต่างกับตะกอนยังไง เห็นไหมแต่ก่อนกรรมาฐานอย่างที่ทําแต่ก่อนนะจิตมันเข้าไปเกาะลมไวนะ้แล้วมันก็นิ่งอยู่ยงั้นแหละก็มีอยู่เท่านั้นเองตอนนี้พอเราไม่เกาะลมนะเราเห็นร่างกายหายใจนะเราเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่เราบางทีก็เห็นจิตทํางานนะเห็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เห็นไตรลักษนณะ์มันไม่ขึ้นวิปัสสนาแท้ๆหรอกข้ามภพข้ามชาติไม่ได้จริงต้องขอเดียววันนี้ขอบคุณหลวงพ่อด้วยนะครับก่านวสันหลวงพ่อเจ้าคนะ่ะ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 นะไม่ต้องการว่าสงสัยแล้วต้องไปหาคำตอบได้คำตอบมาแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจว่ารู้ธรรมะไม่ใช่เลยนะเพราะนั้นคุณแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้แล้ะคุณปฏิบัติถูกแล้วฝึกเท่านี้พอไม่ต้องฉลาดหรอก mm hmm. ครูบาอาจารย์เคยสอนมาเรื่อยๆนะว่าฝึกโง่ๆไว้หน้ารู้ซื่อๆไว้หน้าเนี่ยบางองค์สอนบอกให้รู้ซื่อๆยังไงก็อยากรู้อีก ่อยากอยากรู้เรื่องอะไรว่ามาอยากว่ารู้ว่าหนูเนี้ยที่ตามรู้ตามดูเนี้ยถูกหรือเปล่าหรือรู้แบบโลกโลกอยู่ค่ะรู้ไม่ถูกหรอกมันโล่งไปรู้สึกไหมเราน้ําใจเราให้ผิดธรรมชาติรู้สึกไหมใจเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนใจของเราตอนที่ยังภาวนามไม่เป็นใช่ใช่ค่ะใจ<ห>ที่ดีที่ส<ด>ุดนะคือใจของคนที่ภาวนาไม่เป็นนั่นแหละ